ควรแล้วก็ใช้พลังมากมายก็สำหรับในอารมณ์ที่บอกไปที่บอกว่าน่าจะหายสงสัยในระดับหนึ่งในแง่ของเหตุต่างๆคือไม่ให้เพลินเท่านั้นเองเพราะตัวเพลินมันจะนำไปต่อเชื่อมปัญหาได้ทุกอย่างแล้วเป็นสิ่งที่เราชอบไมต้องสนุกสนานเพลินๆเนี่ยใช่ไหมเขาค่อยสูงเสริม ถ้าไหนไม่เพลินรู้สิบไม่สนุกกินอาหารมาเขาบอกเพลินนเท่ากับว่าสาธาา้ถเท่ากับว่า อ, าาอริระอยถ้าปรุงอาหารไม่อร่อยเขาไม่ชอบอารมณ์ถ้าทําไปแล้วมันไม่เพลินก็ไม่ชอบเป็นสิ่งที่เราเสพติดอยู่แล้วที่มันมีปัญหาเนี่ยทีนี้เราจะทําไงอย่างกินอาหารที่กินแล้วอร่อยเนี่ยนานๆเขาก็จะมีโรคเยอะเลยใช่ไหมความเดาเบาหวาน ห, หัวใจกระเพาะ แต่ถ้าทานอาหารธรรมดาที่มันไม่มีรสจัดรส <c oughs> จืดธรรมดาเนี่ยโลกเหล่านี้แทบจะไม่เป็นเลยใช่ไหมเพราะอาหารจืดธรรมดาแล้วก็จะไม่เพลินผมเลยขอให้เกิดการเพลินมันอิ่มพอได้คนส่วนใหญ่ยอมไหมไม่ยอมอ่ะจะไปหาเนี่ยทิ้งจไปหาให้มันอร่อยให้ได้นี่คือเนี่อันนี้คือรสโลกมันอยู่ด้วยสิ่งนี้อยู่ด้ยวยความรสชาติแต่นี่เราจะออกจากโลกเนี่ย ถ้าหากว่าเราเป็นลดความเพลินไม่ได้มันก็ออกจาบมันไม่ได้ <c oughs> เพราะมีความเพลินเป็นสายใหญ่นะเพราะนั้นเราทำไงก็ได้ให้มันเพลินอยู่เฉยๆก็ต้องหาเรื่องอะไรมาให้มันเพลินอันนี้คือความยากของของการปฏิบัติเพราะนั้นการมาฝึกปฏิบัติแบบนี้ไม่ได้หมายว่าเราเพลินมากขึ้นหรือเราสุขมากขึ้นเรามีความาพอใจอะไรได้มากขึ้นไม่ใช่นะ แต่มันรู้จักรู้จักใช้สิ่อเป็นอุปกรณ์ใช้ความเพลินเป็นอุปกรณ์ก็ได้ใช้เป็นความไม่เพลินเป็นอุปกรณ์ได้ใช้วความทุกข์เป็นอุปกรณ์ก็ได้ใช้ความสุขเป็นอุปกรณ์ครั้งหนึ่งมาไปาพักอยู่ที่คือทุกสเสมอร์ตอนนั้นไปทำํำไปเรียนต่ออยู่ที่ศรีดังกาทุกสเสมอร์จะมาพักอยู่ที่ไอร์แลนด์เฮมิเดธเสร็จแล้วก็ะเล็กๆ อางด้านใต้ของเหมือนกับภาคใต้ของเราจังหวัดกรทีศสีนังกาปรากฏว่าไปพบกลุ่มพระที่มาจากเป็นชาวเยอรมันเป็นชาเยอรมันแลมาอยู่ในเกาะ น, นั้นจะข้อสังเกตว่าพระที่มาจากเยอรมันจะมีชายาขึ้นด้วายวานะญานะสังวโรูยานะโปนิกะยาณะศรัทธาญานะวีโรอะไรพวกนี้ขึ้นด้วยยานะ เสร็จแล้วก็มีมวิสุขคนหนึ่งเขาเป็นชาวไอริทเขาบอกเขาบวชอยู่ที่ศรีลังกาอยู่ที่อินเดียไี้สีปีนี่เขาเยอะบอกว่าเป็นพระเถลวานะ่าที่ราาักษาวินัยระบาะอริสึกเป็นวิสุขแล้วมาปฏิบัติที่เกาะเนี่ยนีย่เขาก็รู้ว่าเราอาเป็นเทลว่าแล้วก็อปฏิบัติกรรมฐ า, านด้วยก็เขาก็ถามมีคําถามคำหนึ่งที่มา จำได้เขาทุกทุกวันเขาถามว่าแก่นแท้ของพุทธศาสนาคืออะไร What is real l y core of the Buddhism แก่นแท้ของพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยมันคืออะไรเขาก็ตอบไปด้วยเนาะอริสัสีอาริมาวิลมแปดโพชฌงเจ็ดโอวาทสามพ่อเลยว่าป All of them are wrong ทั้งหมดผิดเท่านั้นแล้วแลวคุณว่าไงฮะนั่นแหละเราตอบ่าหมดมนบอกไม่ใช่ในที่เขาตอบอยู่คำหนี่รวมทั้งหมดของความหมายภาษาส i ุ l ส in means ส์มีนที่เติมเอสนะสกิลสก l ลแปลว่าชำนิชำนานนะ s k i l l i อินมีนส์อินมีนสมีนที่แปลว่า อุบายวิธีการเทคนิคใช่ไหมครูภาษากินว่าไงมีไหมสก i ลอินมีนแบบอะไรนี่คือรวมทั้งหมดของวิาศาสนา์คือฉลาดในการใช้อุบายทุกอย่างเพื่อกันแก้ปัญหาและการดับทุกข์ใช้ทุกทีทางที่จะแก้ปัญหาและการดับทุกข์เพื่อชำระจิตให้สะอาดว่าสิ่งนั้นจะเป็น กุศลและกุศลกิเลสก็ไม่ใช่กิเลสก็ตามแต่ใช้มันเป็นเทียงอุบายก็มีสติปุอุบายสกิลอิมินนี่คือมาเขาตอนแรกเราก็ไม่เห็นด้วยนา่นเข้ามาเข้าเริ่อ ม, มเห็นด้วยอ้แก่อ๋อใช่ที่เราทําเนี่ยเพื่อคนอ้นออกมาทั้งกุศลแกุศลในตัวเราเลยนะความคิดมีมมทั้งกุศลอกุศลมีทั้งดีทั้งชั่วเสร็จแต่เราอย่าไปรังเกียจในสิ่งที่เป็นอกุศลและอย่าไปติดยึดในสิ่งที่เป็นกุศล แต่พึงใช้ให้เป็นประโยชน์ในการชำระชีิตเหมือนที่เราจะติดไฟขุ่งข้าวอะ่ะไม้อะไรก็ได้ที่มาติดไฟใส่ก็้าไป แ, แต่ขอให้ข้ า, าสุขใช่ไหมไม่ดาไม่แดงไม่ดูไม่ทุกอย่างไม่ปลาแล้วขอมันติดไฟก็แล้วกันวิืขยะอะไรก็ต่างขอให้มันติดไฟขุ่งข้าวสุขเป้าหมายคือขุ่งข้าวสุขไอ้ส่วนฟืนที่เไม่ใส่ฟืนอะไรก็ได้ขอให้มันติดไฟ มาเลยซึ่งมันตรงกับคำที่เราใช้พุทธศาสนาว่ากุสโลบายกุศลเมื่อ so คือสกิลใช่อุบายคือมสกมีอุบายในฉลาดในการใช้วิธีการใช้อุบายแต่ไม่ได้แปลว่ากบายฉลาดในาใช้กบายมันกลายเป็นเจลเลยไปเลยใช่แต่นี่เราใช้เทคนิคใช้วิธีการทุกอย่าง ความสุขมีแล้วก็ไม่เสียความทุกข์มีแล้วไม่กลัวไม่หนีความตายมีแล้วก็ไม่กลัวความเกียจมีก็ใช้ความแก่ควาเกียจความแค้เป็นอุบายในการอ่าจัดการกิเลสได้หมดเลยเรื่องนี้ไม่ต้องเชื่อนะเอาไปคิดดู ดังนั้นเองที่เราปฏิบัติไปเดี๋ยวมันมีดีมีชั่วมีเจ็บมีปวดมีเหมื่อยมีเทียวมีเบื่อมีเหงามีสิ่งมีตัวกลังบนฟุ้งซ่านอะไนี่ใช้ไปดูบายได้หมดเลยแต่เราจะใช้มันเป็นหรือไม่นี่คือปัญหาเพราะนั้นเราจะต้องมีอะไรมีสกิลมีทักษะมีอุปะมีความฉลาดในการใช้แล้วนี่เราก็ปฏิบัตินี่เราปฏิบัตไม่ใช่เพื่อการดักฟุ้งเพื่อหาอุบาย นะเหมือนเราจะห้องนะสมบัติมันมีเรียบร้อยแล้วในห้องเนะี่ยแต่มันไม่มีกุญแจเปิดเข้าไปเท่านั้นเองสมบัติมีทุกอย่างให้หากุญแจดอกนี่แหละก็คือตัวทักษะในการรู้วิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยถ้ามัีอะไรเกิดขึ้นม่าก็ใช่มันแต่ถ้าเราใช้มันไม่เป็นมันก็ใช่เรา เออไม่แค่นั้นแหละถ้าเราเผามันไม่ได้มันก็เผาหลอก็นั่นแหละแต่ถ้ามันไม่ได้ตายเราก็ตายนี่แหละคือคือต้องต้องวิจัรวิธีใช้มันตกลมเนาะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเวลาไปอาน้ําอาการอน้ําเป็นวิธีการดับกิเลสได้ไหมเวลากินข้าวใช้วิธีกินข้าวกับจัดกิเลสได้ไหมเวลาไปนั่งถ่ายใช้วิธีการถ่ายเป็นการชำระกิเลสได้เป็นฟันทุกอย่างเลย ใช้เป็นอุบายได้หมดเลยแต่เราจะใช้มันเป็นหรือไม่เป็นแต่การใช้อุบายเหล่านี้เป็นต้องมีอะไ ร, เ ป, ะไรเป็นอันดแรกมีความรู้สึกรู้ตัวคือมีสติสัมปชัญญะที่เราทำนเนี่ยขอให้ตั้งความรู้สึกรู้ตัวไว้เป็นฐานเมื่อมีความรู้สึกรู้ตัวเป็นฐานแล้วสิ่งที่เกิดต่อจากนั้นก็คืออะไรปัญญาสตนะิสัสมปชัญญะและปัญญาแล้วปัญญาก็จะ ทำให้เราเกิดใช้บ่อยๆใช้ปัญญานี่เอง่ยคุณห่าน้ำแบบไม่มีปัญญาจริงอยู่คุณอาจจะได้สบายสบายตัวแต่ว่าไม่รู้สึกตัวเลยขนาะอาวได้แต่เดียวเยอานั้นขอให้ขอคิดนะไปไป